ธำวัดแรกของปีนี้บรรยากาศตอนนี้ก็แตกต่างจากเมื่อ5ชั่วโมงที่แล้วนะตอนนั้นเนี่ยเพิ่งขึ้นปีใหม่คนก็โอร้องด้วยความดีใจจุดประทัดจุดดอกไม้ไฟเสียงก็เืออื่นดังสนัดนไปตัว น, นะแต่ตอนนี้บรรยากาศต้องเงียบสงบเพราะว่าคนที่ อ่าฉลอจฉลองอ่าโหร้องดีกันก็ถ้าไม่สลดสลายพ่หลับไปแล้ว น, นะจะตื่นขึ้นมาทําวัดหรือว่าหลับไหลใครก็ตามที่มาถึงตอนนี้หรืออยู่ถึงตอนนี้ได้ก็รับว่าโชคดีพ่อมีคนจำนวนมากที่ไม่สามารถจ ะ, ะพาชิพมาถึงเวลานี้ได้ก็คือล้มหายตายจาก ไปตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ว่าไปเราก็พวกเราก็ได้มาโชคดีนะที่ยังมีชีวิตมาจนถึงตอนนี้เรียกว่าพาชีวิตข้ามปีมาได้จะเรียกว่าโชคดีนะที่ราดจนความตายมาได้อีกหนึ่งปีแต่มอยอีกแง่หนึ่ง น, นะเราก็กําลังเข้าใกล้ความตายก็ไปอีกหนึ่งปีในการที่เรา รอดตามาอีกหนึ่งปีนี่ก็ถือเป็นโชคนะมองจากภาษาชาวโลกแต่แนวระดือกันเนีะมันก็หมายความว่าความตายก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆเรียกว่าใกล้เข้ามาอีกหนึ่งปีถ้าถ้าปีนี้นะยังอยู่รอดไปถึงปีหน้านะก็เรียกว่ามีโชคอีกแต่แนวระดือกันันก็ยิ่งใกล้ความตายเข้าไปมากขึ้นทุกทีทุกที เมื่อวานนี้นะผู้คนก็เข้าดาวกันรับถอยหลังเขาเรียกว่าดี อ, อกดีใจนะที่จะได้เข้าดาวดิ่งเข้าดาวมาถึงสิวินาทีสุดท้าย <Yeah. S 1> ผู้คนหลายคนก็จะร่วมร้องเข้าดาวสิบเก้าแปดเจ็ดหก ห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์เฮผู้คนดีใจนะตอนที่เขาดาวนัดถอยหลังแต่แต่จะมีกี่คนนะที่ตระหนักว่าไอชีของตนเองมันก็กำลังนัดถอยหลังไปเรื่อยๆเหมือนกันผู้คนสนใจแต่การนัดถอยหลังวันสิ้นปีนะแต่ว่าไม่ได้คิดถึงไอชีของเรามัก็กำลังนัดถอยหลัง หรือผู้เรี่นัคือว่านะความตายของเรานะมันก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆแต่ถิงจะนับหรือไม่นับนะมันก็ต้องเกิดขึ้นกับเราจนได้ทักก็เลยในเรื่ที่ผู้คนนะั่างวาดหลังปรารถนาจะให้ชีวิตของตนนะในปีนี้นะ่โชติช่วงชะโว า, างความสุข ความสูงข้าจะหมายถึงความมั่งมีความร่ำรวยความสำเร็จหรือว่าได้พบความสมหวังพูงง่ายคือให้มีความสุขแต่ว่าไม่ค่อยได้คิดถึงว่าเราจะเราพร้อมแค่ไหนนะในการที่จะเผชิญกับความตายที่จะมาถึง ปรารถนาแต่เพียงว่าอยากจะให้ชีวิตมีความสุขชดชุ่มชัชชวางแต่ว่าไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจเลยนะว่าอยากจะให้ความตายของเราเป็นอย่างไรนะแล้วก็เตรียมพร้อมนะเตรียมตัวเตรียมใจกันแค่ไหนอันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญนะแต่ว่าคนส่วนใหญ่ะละเลยในส่วนนี้ พวกรถัวอยากจะให้ชีวิตนี้มันดีอยากจะมีชีวิตที่เป็นสุขแต่ว่าไม่ได้นึกถึงปลายทางนะของชีวิตที่มันต้องเกิดขึ้นถ้าไม่คิดถึงนะหรือไม่นึกเลยเนี่ยนะก็เรียกว่าประมาทอย่างยิ่งเพราะว่ามันต้องเกิดขึ้นแน่และถ้าเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ ในคณะที่เรานะี่ยมีย่านเข้าสู่ปีใหม่เนะี่ยเราก็พาชีวิตเข้าสู่ปีใหม่มาได้นะเกือบ6กชั่วโมงแล้วต้องคิดเรื่องนี้ไว้บ้างและเพียงอยเดีไม่พอแนละ้วก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ด้วยว่าถ้านะความตายหรือว่าการสิ้นสุดชีวิตมาถึงนีนะ่เราจะรับมือกับมันอย่างไร ทำอย่างไรนะปลายทางของชีวิตของเราเนี่ยนะมันจึงจะจะไม่ทุกข์ทรมารจะเป็นปลายทางที่ผ่านไปได้อย่างราบรื่นที่จริงการเตรียมตัวตายเนี่ยนะแต่ว่าไปฟมันก็เป็นเรื่องเดียวกันเตรียมพร้อมที่จะอยู่อย่างไม่ทุกข์นะมันเป็นเรื่องเดียวกันเลยเพราะว่าถ้าเราสามารถที่จะอยู่ในโลกนี้อย่างไม่ทุกข์ได้เนี่ย มันก็แปลว่าเรามีความพร้อมนะที่จะเผชิญความตายเพราะความตายเนี่ยมันเป็นเรื่องของความทุกข์นะเรียกว่าเป็นความทุกข์ตัวพ่อตัวแม่เลยมันไม่มีอะไรที่จะร้ายแรงยนะิ่งกว่าความตายแล้วย่งเวลาสวดมนต์เมื่อสักครู่หรือทุกเช้าเนี่ยนะก็จะสาธยายว่า การประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ความพัดพลาดจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นที่จริงความทุกข์ของคนเราเนี่ยที่ผ่านมาและที่จะเกิดขึ้นในวันหน้าหรือที่จะเกิดขึ้นในวันนี้มันก็หนีไม่ค้นสองอย่างนี่แหละก็คือเจอกับสิ่งที่ให้พอใจหรือว่าเจอเรื่อง พราดพาจากสิ่งที่พอใจหรือว่าสูญเสียสิ่งดีๆความทุกข์ของคนเจ็ดพันกว่าล้านคนอาจจะแตกต่างกันไปแต่รวมแล้วก็นี่มีคนสองข้อนี่แหละเจอสิ่งที่ไม่รักกับพลาดพราดสิ่งที่รักและสองประการนี้นะมันนี่มันนี่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่หรือว่ารุนแรงเท่ากับตอนที่ความตายได้เกิดขึ้นไม่ว่ามี ของรักของหวงมากแค่ไหนนะมันก็ต้องพัดพรามจนหมดไม่เหลือเลย แ, แม้กระทั่งชีวิตเนี่ยหลือว่าแต่ทรัพสมบัตนะิเนี่ยแม่มันก็ต้องเจอกับสิ่งที่ไม่รักโดยเพราะวาความเจ็บปวดทุกขเวทนาทุกขเวทนาที่เคยเจอหรือที่จะเจอในวันข้างหน้าขณะที่มีลมหายใจอยู่ยมันไม่ใ่อะไรที่จะไร้แงรงตลอทุกขเวทนาตอนที่ เรากรลังะตายหรือว่าวินาทีสุดท้ายนะของชีวิตคือมันเป็นทุกขเวทนาถึงขั้นที่ทนไม่ได้เพราะวาถ้าทนได้มันไม่ตายหรอกนะไอมันทนไม่ได้จึงตายที่เราจะเคยได้ยินถ้อยคำที่เขาอธิบายหรือว่าบรรยายติดตายว่าทนพิษ บ, บาดแผลไม่ไหวทนพิษ บ, บาดแผลไม่ไหวคือถ้าทนไหวมันไม่ตายแต่ติดตายก็ทนไม่ไหวก็แปลว่ามันหลักหนาสาหัส อย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนไอ้ที่เคยผ่านไาแล้วรู้ว่าทนได้ทั้งนั้นแต่พอเจอไอ้สิ่งที่มันทนไม่ไหวมันเกินขีดจำกัดว่าพอถึงตายนะ เ, เพราะฉะนั้นเนี่ยนะเอ่อถ้าว่าเราเนี่ยสามารถจะอยู่อย่างไม่ทุกได้ในการที่จะเจอความตายแล้วไม่ทุกนี่มันก็มีความเป็นไปได้นะแต่ถ้าว่าเราอยู่ แล้วก็อยู่อย่างทุกข์นะนั่นแสดงว่าเราังไม่พร้อมนะที่จ ะ, ะเจอความตายโดยที่ไม่ทุกข์ทรมานได้การตายโดยที่ไม่ทุกข์ทรมานนี่มันทำได้นะก็มีผู้คนมอกมาที่เขาผ่านจุดนี้มาได้โดยที่ไม่ได้ทุกข์หรือบางคนอาจจะ แสดงให้เราเห็นนะต่อหน้าต่อตาด้วยก็ได้ทังที่ความตายเป็นทุกข์นะแต่ว่าเมื่อเจอแล้วไม่ทุกข์ก็ได้คำ ว, ว่าไม่ทุกข์นี่คือไม่ทุกข์ใจนะไอ้กายมันทุกข์แน่แล้วมันก็ทุกข์ถึงขีดสุดนะทีนี้ทิดทนไม่ไหวเพราะถ้ามันทนไหวไม่ตายไม่แตกดับทั้งการที่คนเราเนี่ยนะจะ เมื่อเจอความตายแล้วใจไม่ทุกข์ได้เนี่ยมันก็แสดงว่าได้เรียนรู้นะในการที่จะมีชีวิตอยู่โดยที่รักษาใจไม่ให้ทุกข์ได้เพราะว่าในชีวิตเราเนี่ยบอกว่าอยู่อย่างไม่ทุกข์เนี่ยมันมันไม่ใช่ว่าจะไม่เจอทุกข์นะคาว่าอยู่อย่างไม่ทุกข์เนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่เจอทุกข์เพราะว่า การเจอทุกเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ไม่มีใครนะที่จะหนีพ้นได้แม้ว่าเราจะปรารถนาความสุขและพยายามทำทุกวิธีทางนะที่จะเจอแต่ความสุขเจอแต่ความสมหวังแต่มันก็ไม่มีทางเต็นไปได้นะที่จะเจอแต่ความสุขความสมหวังตลอดให้ความทุกหรือความไม่สมหวังมันก็ ผ่านเข้ามาให้เราต้องเจอเจอวันแล้ววันเล่า ว, วันล้วไม่รู้กี่ครั้งแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะรักษาใจไม่ทุกได้นั้นก็หมายความว่าเรามีวิชาพอตัวนะที่จะรักษาใจไม่ให้ทุกในเวลาที่ความตายมาถึงด้วยเช่นกันนั้นถามใจตัวเองว่าเราเราพร้อมแค่ไหนนะในการที่จะอยู่อย่างไม่ทุก เมื่อเจอทุกแล้วเนี่ยใจไม่ทุกเมื่อเจอความนะไม่สมหวังตามภาษาชาวโลกนะแต่ว่าใจเราก็ยังเป็นปกติได้ทำอย่างไรนะนายจึงจะไม่ทุกได้นะมันก็ต้องฝึกจากความทุกนี่แหละ<ม>คือต้องเจอทุกไปบ่อยไม่ใช่ว่าจะไม่ใช่ว่าเมื่อชี้ลาบลื่นแล้วเนี่ยนะลาบลื้นไปหมดแล้วเราจะ สามารถจะดูยัยงไม่ทุกได้หรือว่าเจอทุกแล้วไม่ทุกจะทำนั้นได้มันเจอทุกบ่อยๆ <c oughs> แต่จเจอทุกบ่อยๆก็ไม่พอนะมันต้องเรียนรู้ที่จะรักษาใจไม่ให้ทุกได้ถ้ามองในแง่นี้เนี่ยเราก็ควรจะมองว่าความทุกข์ที่เราจะต้องเกิดเจอ ในวันนี้วันหน้าเนี่ยมันเป็นแบบฝึกขัดเป็นแบบฝึกขัดให้เราเป็นแบบฝึกขัดว่าเราจะรักษาใจอย่างไรโดยไม่ทุกหรือผู้ยังก็คือว่าเราจะเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตอย่างไรจึงจะไม่ทุกในความร่วงคนเราโดยเฉพาะความทุกข์ใจเนี่ยมาล้ลแตกเป็นผลมาจากการเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆอย่างไม่ถูกต้องทั้ง ที่เป็นความสุขแล้วก็ความทุกข์ทั้งที่เป็นความพอใจและไม่น่าพอใจเช่นสมมติว่าเราเจอความสมหวังเจอความสุขได้รับคันชื่นชมสรรเสริญได้ประสบความสาเร็จแต่พกความสบหวังนจิติใจแล้วเกิดว่าเราหลงไหลนะไปยึดติดมันทันทีที่เราไปหลงไหลไปยึดติดมันนี่ก็เตรียมทุกข์ได้เลยเพราะว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นมันไม่เที่ยง อาจจะว่าไปเนี่ยเป็นเพราะความรักสุข น, นนะมันจึงทําให้เราเป็นทุกข์สิ่งใดที่ให้ความสุขกับเราสิ่งนั้นก็สามารถจะทําความทุกข์ให้กับเราได้ไม่ใช่เป็นรูปธรรมลึกล า, ามาธรรมทรัพย์สมบัติชื่อเสียงความสําเร็จคนรักที่มันสามารถทําให้เราทุกข์ได้ก็เพราะอะไเพราะเราไปยึดมันไปนยึดว่ามันต้องเที่ยงหรือหลงไหล พอมันแปลเปลี่ยนไปนี่เราทุกข์เลยในทองเดิมทำนองเดียวกันนะไอสิ่งที่เป็นทุกข์สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเนนะี่ยตัวมันเองไม่ได้ทําให้เราทุกข์ทันทีนะเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่ว่าใจเราจะเป็นทุกข์ทันทีมันอยู่ที่ว่าเราไปถักสมันแค่ไหนตอนเราไปก่อต้านถักสายมันนะใจทุกข์ทันทีเลยเสียงดังไม่ทําให้เราทุกข์ จนกว่าเราจะผักใสความเจ็บป่วดไม่ได้ทําให้เราทุกข์ใจจนกว่าเราจะไปผักไสต่อต้านหรือว่าตีวตีโปรตีายอดควนธรรมชาติของความทุกขนี่มันทําแรงมากคือทําให้กายเราเป็นทุกข์นะแต่ว่าทําให้ใจเป็นทุกข์ไม่ได้ อย่างที่นี่ทุกวยมะเร็งคนหนึ่งเขาบอกไว้นะบอกว่าเนี่ยความมะเร็งไม่ได้ทำให้รอยยิ้มคุณหายไปแต่ความทุกข์ใจต่างทางที่มันทำนะมะเร็งก็คงทำได้แต่ทำให้ร่างกายนะเจ็บปวดหรือว่าข้องขัดนะแต่ไม่ได้ทำให้รอยยิ้มหายไปแต่เมื่อใจมันทุกเนี่ยรอยยิ้มนึงหายและที่ทุ ก, ก็เพราะว่าไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น ให้เธอบอกว่าเนี่ยนะความจริงน่าโหดร้ายนะแต่ว่าการไม่อยอมรับความจริงโหดร้ายกว่าเพราะมันเหมืนคุกที่ขังใจเราไว้รูปลดกินเสียงสัมผัสนะที่เป็นลบเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เราเป็นทุกข์ใจนะตนกว่าเราจะไปพักสมันนะสู้รถตกมือกับมันหรือพูดง่ายคือเราเกลียดมัน ถ้าเราลักสุกแล้วก็เกลียดทุกข์นะอันนี้แหละความทุกข์ใจก็จะเกิดขึ้นลักสุมกมาแล้วไปยึดมันพอมันแปลเปลี่ยนไป<ม>ก็เสียใจเศร้าใจอันนี้เรียกว่าทุกข์ทุกข์ใจส่วนความทุกข์รนะู้ระกินเสียงที่ไม่น่าพึงพอใจอันนี้เรียกว่าทุกข์พอไปเกลียดมันผักสายมันก็ใจก็เป็นทุกข์เลย ไม่ใช่มันเกิดขึ้นกับเราแล้วจริงจะเป็นทุกข์นั่นแต่เป็นพเพราะราวางใจไม่ถูกมองไม่เป็นแต่ถ้าเรามองถูกวางใจเป็นน ะ, ะเช่นไม่ยึดติดถือมันกับมันหรือว่าไม่สนใจมันหรือไม่ไปต่อเลาะต่อเทียนกับมันนะไม่ลังไม่จงเกียจจงชังมันวางใจเป็นกลางหรือที่หลวงพ่อคําเขียนใช้คำว่ารู้สื่อ ให้ความทุกข์ใจก็เกิดขึ้นไม่ได้เราจะทำนันได้เนี่ยมันก็ต้องผ่านนะต้องเจอต้องเจอความทุกข์บ่อยๆแล้วก็เรียนรู้จักมันเอาสิ่งที่ไม่ถูกใจเราทั้งในชีวิตและในการทำงานเอาสิ่งที่ไม่ถูกใจเราเวลาเกิดผัสสะขึ้นมา คือว่าเมื่อเกิดภาษาที่ไม่ถูกใจเรามากระทบเนี่ยนะแทนที่จะบ่นวยวายตีโพยตีพายไปโทษนั่นโทษ น, นี่นะก็ตั้งสติให้ดีแล้วก็เอามานะแล้วก็รับมือกับมันนะโดยใส่สตินี่แหละเป็นตัวนำ เมื่อใจมันก็เพิ่มก็เห็นมันนะว่ามันก็เพิ่มไม่ว่ามันก็เพื่อเพึ่มก็เพิ่มลงรักษาใจให้เป็นกลางเอาไว้นะหรือว่ามีความรู้สึกตัวอยู่เสมอเอาปัญญาเข้ามานะเป็นเครื่องเตือนใจแล้วว่าเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ไม่เที่ยง น, นะหรือว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทําให้ใจเราเป็นทุกข์ไม่ได้จนกว่าเราจะเออออไปกับมัน อย่างที่อาจารย์เชสาโล้พูดไว้ดีนะว่าไม่ไม่มีคนใดหรือสิ่งใดจะทำให้เราเป็นทุกข์ได้เขาเพียงแต่แค่มาเชิญชวนให้เรากลัวให้เราไม่พอใจนะหรือที่ว่าเราจะรับคาชวนคําเชิญหรือเปล่าตอนเรารับคําเชิญนะเราก็ทุกข์ได้จต่โทษใครนะเพราะเขาแค่เชิญเฉยเฉยเวลา ให้เราถือว่าเนี่ยนะว่าสิ่งต่างๆที่เป็นลบนะเมื่อมันผ่านเข้ามาในชีวิตของเราอย่าถือว่าเป็นเคราะห์นะให้ถือว่าเป็นบทเรียนนะที่จะมาฝึกใจของเรานะให้ฉลาดหรือว่าเตือนใจของเราให้มีความไม่ประมาทหรือว่ามาสอนใจเราให้มีความอดทนและมีสติ อย่างที่เมื่อวานนี้ก็ได้พูดนะถึงอาจารย์ประมวลว่าในที่ยที่ท่านไปอินเดียแล้วนะก็ตั้งบณิธานว่านะสิ่งใดที่เกิดขึ้นนะกับท่านที่อินเดียสิ่งใดที่เกิดขึ้นกับเราที่อินเดียนะจะถือว่าเป็นสิ่งที่เทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์นะได้ประทานให้กับเราด้วยความเมตตาให้เราได้เรียนรู้เนะพราะฉะนั้นก็จะน้อมรับนะและเรียนรู้ ให้ดีที่สุดแลวให้เราเนี่ยนะมีท่าทีหรือวางใจแบบนี้นะกับสิ่งต่างๆที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตของเราไม่ว่าที่เมืองไทยหรือที่อินเดียหรือที่ไหนก็ต่างคือมันมาเพื่อเราได้เรียนรู้หน้าที่ของเรานะไม่ใช่บน่นโวยวายตีโพยตีพายแต่หน้าที่ของเราคือว่าน้อมรับและ รำเรียนให้ดีที่สุดอันนี้สมเด็จพฤฤุทตูตโคสัจจางก็พูดให้ดีนะว่าเราไม่ได้มีหน้าที่ทุกนะเรามีหน้าที่รู้ทุกนะเราไม่ได้มีหน้าที่ทุกนะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกในสังถ้าเรายิ่งถ้าเรารักเบยมากเท่าไหร่เนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่เลยนะที่เราจะทุก หน้าที่ที่แท้คือหน้าที่รู้ทุกนะหรือว่าเรียนรู้จากทุกนะนันอย่าบนอย่ากลดอย่าโวยวายทีพอยทีลายหรือว่าน้อยเนื้อต่ำใจนะเวลามันมีความทุกเกิดขึ้นมันมีความไม่สมหวังเกิดขึ้นอย่าโวยวายอย่ากโกรธเคืองนะให้มองว่าเนี่ยเออสิ่งเหล่านี้เข้ามาเพื่อให้เราได้เรียนรู้ แล้วถ้าเราเรียนรู้ดีๆเราจะเพราะว่ามันเป็นพรความยึดติดความยึดติในตัวกูเนี่ยความยึติในตัวกูของกูเนี่ยอันนี้คือร่างไร่ความทุกข์ใจทั้งมวลปรารถนาจะให้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นไปตามใจเราเป็นไปตามความคิดของเรายิ่งความคืงรอนี่มันประเสริฐมันสูงส่งมากเท่าไหร่เยาวิ่งตก หลอยู่ในกับดักนี้ได้ง่ายมากแล้วนะครับเท่านั้นคือยิ่งยึดติดเข้าไปยิง่งก็มันดีเ่ยมันประเสริฐเนก็ยิ่งยึดเข้าไปยิง่งแต่หารู้ไหมว่าวตอนที่ยึดเนี่ยมันเราโดนกิเลสโดนวิชามันหลอกไปซะแล้วโดนตัวตัวโดนไอ้อัตตานี่มันเล่นงานเข้วเพราะว่าพอยึด ทันทีที่ยึดเข้าไปนี่มันกลายเป็นตัวกูของกูขึ้นมาทันทีถลิประเสริฐแค่ไหนนะพอยึดเข้าไปมันกลายเป็นตัวกูของกู ท, ทันทีพุทธศาสนาประเสริฐแค่ไหนพอยิดเข้าไปมันก็เป็นตัวกูของกูาศาสนาของกูแล้วก็ถูกให้ตัวกูนี่แหลนั้นหลอกให้ไปทํำลายผู้อื่นในนามการปกป้องาศาสนา นั่นก็ต้องระวังนะไอสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่ดีเนี่ยมันยิ่งง่ายที่เราจะลงยึดหลงติดถ้าพอลงยึดหลงติดแล้วนี่มันก็ไม่เห็นแค่ทำความทุกข์ใจใกับเราเวลาคนอื่นเ็าไม่เห็นด้วยกับเราหรือความคิดของเราแต่ยังสามารถทำให้เราเนี่ยไปสร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นได้ อุดมการสูงส่งที่มันช่างนั้นเป็คนไปทำร้ายกันทำสงครามกันประหัตประหารกันมีมากมายค่ากัรในานามของาศาสนาค่าการในานามของพระเจ้าค่ากัรในานามของสันติภาพและอุดมการและหรือความเสมอภาพ ค, ความเท่าเทียมกันแต่ถ้าเกิดว่าเราฉลาดมนะมีสติเราก็จะเห็นอ้อ ที่ทุกนี่ก็เพราะความยึดติดนะในตัวกููของกูเรารู้ที่จะไทยเรารู้ที่จะถอนไอ้ความทุกข์มันจะสอนนะว่าเนี่ยตากแดดที่ยังยึดติดก็จะเจ็บไม่เลิกก็จะปวดหรือโกรธแค้นไม่ไายต่อเมื่อเราเริ่มวางมีสติมีความสุขตัวมีปัญญายอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็ถือว่ามันเป็นเครื่องสอนเราเป็นเครื่องเป็นสิ่งมาฝึกเราเราก็จะฉลาดมากขึ้น แล้วเราก็จะมีความจัดเจนในการรับมือกับสิ่งต่างๆโดยที่ใจไม่ทุกข์เกี่ยวข้องกับผัสสะที่มากระทบอย่างฉลาดที่พระเจ้าพุทธาท่านบอกว่าเนี่ยความสุขหรือความทุกข์คนเราเนี่ยมันอยู่ที่ว่ามันไม่อยู่ที่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเราแต่มันอยู่ที่ว่าเราทำผิดหรือทำถูกต่อสิ่งที่เราผัสสะเรียงที่หลวงพ่อชาบอกว่าเนี่ยทุกอย่าง ที่เกิดขึ้นเรามันถูกเสมอนะแต่ที่ทุกขก็เพราะระวังใจผิดทุกอย่างที่เกิดขึ้นเรามันถูกเสมอถูกเพราะอะไรถูกเพราะเหตุปัจจัยมันท้ายเป็นเช่นนั้นปลูกต้นไม้แล้วต้นไม้มันแท้กแกร่งนะมันก็ถูกนะเพราะว่าปัจจัยมันไม่ถึงพร้อมเนี่ยฝนไม่ตกบ้างละหรือว่าไม่มีปุ๋ยบ้างละหรือว่ามแมลงมันเยอะบ้างละมันถูกแล้ว แต่ถ้าเราทุกข์าราะระวังใจผิดเพราะเราอยากจะให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการคือเอาความต้องการของเราเอาความคิดของเราเป็นใหญ่มันก็น่าน่าเตือนใจนะทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเรามันถูกทั้งนั้นที่อาการมันหนาก็มันก็ถูกของมันที่มันร้อนมันก็ถูกของมันแต่ที่เราทูกข์เพราะระวังใจผิดหรือว่าทําผิดต่อสิ่งที่เราผัสสะ ก็ฝึกนะฝึกให้ทำถูกนะต่อสิ่งที่เราผัดษาคฝึกให้หวางใจถูกเราจะทำได้ยังไงนะก็ต้องเจอนะเจอกันบ้านเดอยบ่อยนะการบ้านใหม่ๆก็ทำผิดต่อไปทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆไม่ทอถตอยมันก็จะทำถูกขึ้นมานะถ้าเราทำอย่างนั้นได้ไนหะเราก็จะอยู่อย่างไม่ทุกข์ แต่ว่าทุกน้อยลงเจอทุกตนะั้งแต่ใจไม่ทุกชีวิตก็สุขสบายถึงเวลาจะตายนะมันก็ไม่ทุกเพราะว่าได้รู้แล้วนะว่าจะวางใจอย่างไรเ mm hmm. มื่อเจอความทุกข์ที่เป็นตัวพ่อตัวแมเ่เราก็จะผ่านมันได้เพราะว่าได้บทเรียนได้ประสบการณ์ได้ความฉลาดจากไอความทุกข์ตัวเล็กตัวน้อยเนะมันก็มาสอนให้เรา รู้วิธีที่จะรับมือกับตัวพ่อตัวแม่ได้แต่ถ้าตัวเล็กตัวน้อยนี่เรายังไม่ผ่านยังกัดกุ้มยังโมโหยังโกรธเครืองทับแครงนอกจากจะอยู่ด้วยความทุกข์แล้วนะถึงรวลตานก็หรือก่อนตานก็ทุรนทุรายเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เรานะีเรามองว่าสิ่งที่เกิดเกิดขึ้นกับเรานะในวันนี้วันหน้าตลอดปีนี้ และถ้าโชคดีไปถึงครีนามันมาเพื่อเราเรียนรู้คนะอยน้อมรับนะแล้วก็และรำเรียนมันให้ดีที่สุดซึ่งก็จะได้ซึ่งก็จะมีผลก็คือว่าทำให้เราวางใจถูกนะหรือทำถูกต่อสิ่งที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตของเราซึ่งก็จะมีผลตามมาคือใจที่โปร่งเบาและนั่นแหละคือความสุขนะที่เราสามารถจะผ่านพบได้นะใน ในชีวิตนี้อย่างนี้แหละที่เรียกว่าเป็น <c oughs> ไม่ทำให้ปีนี้เป็นปีที่ดีนะปีต่อไปก็จะดียิ่งขึ้นไม่ว่าอะไรจ ะ, ะเกิดขึ้นเับเราก็ตามถ้าเรารักษาใจให้เป็นปกติได้ <c oughs> เป็นสุขได้ น, น, นั่นเรียกว่าเป็นปีดีไม่ใช่ว่าเป็นเพราะมันมีความสงหวังความรับรื่นไปหมดมันมีทางเป็นงั้นอย่างนั้นได้อยู่แนละ้ว มันอีู่ที่ว่าเรจะพร้อมแค่ไหนโชคดีนะมันก็สู้ใจดีไม่ได้แล้วไม่มีใครที่โชคดีไปตลอดโชคดีแต่ใจไม่ดีนะโชคก็ทําให้กลายเป็นทุกข์ไปได้ถุกรัดตุยก็อาจจะตายได้นะเพราะความความลืมตัวดีใจมากลืมตัวขับรถแห่โค้งชนเสาหรือว่าไปชนคนตายโชคดีแต่ใจไม่ดีเนยะกลายเป็นทุกข์นะกลายเป็นกลายเป็นคราะหไปแต่โชคไม่ดี หรือเจอเคราะห์แต่ถ้าใจดีวางใจถูกกับสิ่ ง, งต่างๆมันกลับกลายเป็นผลดีทำให้เกิดปัญญาและนำพาไปสูขขส่ความสุขก็หวังว่านะพวกเรานะาจะมีวิชานะในการรับมือกับความทุกข์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิต พ้อมมีความเพียรนะในการในการฝึกฝนจิตใจของตนไม่ย่อท้อนะไม่หวั่นไหวไม่เจอกระสิ่งไม่สมหวังนะพร้อม น, น้อมรับนั้นเราก็เรียนรู้จักมันไม่ใช่เรียนรู้เพียงแค่ว่าออมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตามันไม่แน่ไม่นอนเท่านั้นนะแต่เรียนรู้ที่จะวางใจเพื่อจะไม่เพียงแค่ผ่านพ้นมันไปได้แต่ใชให้เป็นประโยชน์นะสาหรับ ชีวิตของเราในวันหน้าอันนี้หลยน่าจะเป็นวิธีแห่งความสุขนะอย่างแท้จริงเอาละชาติพุทธ้นนี้กรับ